ถมบทแปลเรื่องที่79เรื่องพระขาติทระวนยะเรวตะเถระภาคที่สเรื่องที่9ของวัคที่7อรหันตวรควนน า, นาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระเรวตตเถระผู้อยู่ป่าไม้สแกตราธมมเทศนานีว่ากาเมวาเป็นต้น ความพิสดารว่าท่านพระสารีบุตรละซับแปดโกดบวชแล้วชักชวนน้องสาวสามคนคือนางจารานางอุปจารานางศรีสุปจาราและน้องชายสองคนคือนายจุนทะนายอุปเสนะให้บวชแล้วเร ว, วัตกุมารผู้เดียวเท่านั้นยังเหลืออยู่แล้วในบ้านลำดับนั้น มารดาของท่านคิดว่าอุปติสะบุตรของเราละซั์ประมาณเท่านี้บวชแล้วยังชักชวนน้องสาวสามคนน้องชายสองคนให้บวช ด, ด้วยเรวตะาู่เดียวเท่านั้นยังเหลืออยู่ถ้าเธอจักชักชวนเรวตะาแม่นี้ให้บวชไซรับของเราประมาณเท่านี้จักชิพหายวงสกุลจะขาดศูนย์เราจะผูกเรวตะานั้นไว ด้วยการอยู่ครองเรือนแต่ในการที่เขายังเป็นเด็กเถิดฝ่ายพระสารีบททรุตรเถระสั่งภิกษุทั้งหลายไว้ก่อนทีเดียวว่าภูมิอายุถ้าเรวตะประสงค์จะมาบวชไซพวกท่านพึงให้เขาผู้มาศว่ามาถึงเท่านั้นบวชเพราะมารดาบิดาของผมเป็นมิจฉาทิฏฐิประโยชน์อะไรด้วยท่านทั้งสองนั้นอันเรวตะบอกลาเล่า ผมเองเป็นมันดาและบิดาของเรวตะนั้นแม้มันดาของพระสารีบุตรเทระนั้นประสงค์จะปลูกเรวตากุมารผู้มีอายุเจ็ดขวบเท่านั้นด้วยเครื่องผูกคือเรือนจึงมั่นเด็กหญิงในตระกูลที่มีชาติเสมอกันกำหนดวันแล้วประดับตกแต่งกุมารแล้วได้พาไปสู่เรือนของญาติเด็กหญิงพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมาก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 อะไรหนอแลชื่อว่าทำอันยายนี้เห็นแล้วจึงถามว่าคนไหนเป็นยายของหญิงนี้ลำดับนั้นพวกญาติบอกกับเขาว่าพ่อคนนี้มีอายุ120ปีมีฟันหลุดผมหงอกหนังหดเหี่ยวตัวตกกระหลังโกงดุดกรอนเรือนเจ้าไม่เห็นหรือนั่นเป็นยายของเด็กหญิงนั้น เรวตะก็แม้หญิงนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือพวกญาติถ้าเขาจากเป็นอยู่ไซก็จะเป็นอย่างนั้นพ่อเรวตะนั้นคิดว่าชื่อว่าสรีระแม้เห็นปานนี้จากถึงประการอันแปลกนี้เพราะชราอุปติสาพี่ชายของเราจะเห็นเหตุนี้แล้วควรที่เราจะหนีไปบวชเสียในวันนี้แหละทีนั้น พวกญาติอุ้มเขาขึ้นสู่ยานอันเดียวกันกันกบเด็กหญิงพาหลีกไปแล้วเขาไปได้หน่อยหนึ่งอ้างการถ่ายอุจจาระพูดว่าท่านทั้งหลายจงหยุดยานก่อนฉันลงไปแล้วจากมาดังนี้แล้วลงจากยานทําให้ชักช้าหน่อยหนึ่งที่พุ่มไม้พุ่มหนึ่งแล้วจึงได้ไปเขาไปได้หน่อยหนึ่งแล้วลงไปด้วยการอ้างนั้น นั่นแหละแม้อีกขึ้นแล้วก็ได้ทำอย่างนั้นเหมือนกันอีกลำดับนั้นพวกญาติของเขากำหนดว่าเรวัตานี้หมั่นไปแทๆ้ๆจึงไม่ได้ทำการรักษาอย่างเข้มแข็งเขาไปได้หน่อยหนึ่งก็ลงไปด้วยการอ้างนั้นนั่นแหละแม้อีกแล้วพูดว่าพวกท่านจงขับไปข้างหน้าฉันจะกค่อยๆเดินมาข้างหลัง จึงลงไปแล้วได้บ่ายหน้าตรงไปยังผู้หมายแม้พวกญาติของเขาได้ขับยานไปด้วยสำคัญว่าเรวัะจักมาข้างหลังฝ่ายเรวตะนั้นหนีไปจากที่นั้นแล้วไปยังสำนักของภิกษุประมาณ30รูปซึ่งอยู่ในประเทศแห่งหนึ่งวหวยแล้วเรียนว่าท่านครับขอท่านทั้งหลายจงให้กระผมบวช พวกภิกษุภูมิอายุเธอประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมศพพวกข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเธอเป็นพระราชโอรสหรือบุตรของอำมาตย์จะให้เธอบวชได้อย่างไรเรวตะพวกท่านไม่รู้จักกระผมหรือขอรับพวกภิกษุไม่รู้ภูมิายุเรวตะกระผมเป็นน้องชายของอุปติสสะ พวกภิกษุชื่อว่าอุปติสะนั่นคือใครเรวตะท่านผู้เจริญทั้งหลายเรียกพี่ชายของกระผมว่าสารีบุตรเพราะฉะนั้นเมื่อกระผมเรียนว่าอุปติสะท่านผู้เจริญทั้งหลายจึงไม่ทราบพวกภิกษุก็เธอเป็นน้องชายของพระสารีบุตรเถระหรือเรวตะอย่างนั้นขอรับภิกษุเหล่านั้น กล่าวว่าถ้ากระนั้นมาเถิดพี่ชายของเธออนุญาตไว้แล้วเหมือนกันดังนี้แล้วก็ให้เปลืองเครื่องอาภรณ์ของเขาออกให้วางไว้ณที่สุดแห่งหนึ่งให้เขาวบวชแล้วจึงส่งข่าวไปแก่พระเถระพระเถระฟังข่าวนั้นแล้วจึงกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าข่าภิกษุทั้งหลายส่งข่าวมาว่า ได้ยินว่าภิกษุที่อยู่ป่าให้เรวตะบวชข้าพระองค์ไปเยี่ยมเธอแล้วจึงจะกลับมาพระศาสดามิได้ทรงยอมให้ไปด้วยพระดำรัสว่าสารีบุตรจงยับยั้งอยู่ก่อนโดยการล่วงไปสองถึงสามวันพระเถระก็ทูลลาพระศาสดาอีกพระศาสดามิได้ทรงยอมให้ไปด้วยพระดำรัดว่า สารีบุตรจงยับยั้งอยู่ก่อนแม้เราก็จะไปฝ่ายสามเณรคิดว่าถ้าเราจักอยู่ในที่นี้ไซพวกญาติจักให้คนติดตามเรียกเรากลับจึงเรียนกรรมฐานจนถึงพระอรหัสตแต่สำนักของภิกษุเหล่านั้นถือบาทและจีวรเที่ยวจาริกไปถึงป่าไม้สแกในที่ประมาณ30โยน์แต่ที่นั้น ในระหว่างสามเดือนภายในพรรษานั้นแลบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายแม้พระเถ ร, ระป้าภาวาแล้วทูลาพระสัสดาเพื่อต้องการไปในที่นั้นอีกพระสัสดาตรัสว่าสารีบุตรแม้เราก็จะไปเสด็จออกไปพร้อมด้วยภิกษุ500รูปในเวลาเสด็จไปได้หน่อยหนึ่ง อาะนนทิรายืนอยู่ที่ทางสองแฝงกราบทวลพระสัสดาว่าพระเจ้าค่ะบรรดาทางที่ไปสู่สำนักของเรวตะทางนี้เป็นทางอ้อมประมาณ60โยชน์เป็นที่อยู่ของมนุษย์ทางนี้เป็นทางตรงประมาณ30โยชน์อันอมนุษย์คุ้มครองพวกเราจะไปโดยทางไหนพระสัสดาอานนท์ก็ศีวลี มากับพวกเรามีใช่หรืออานน n อย่างนั้นพระเจ้าค่าพระสัสดาถ้าศิวลีมาเธอจงถือเอาทางตรงนั่นแหละได้ยินว่าพระสัสดามิได้ตรัสว่าเราจักยังข้าวต้มและข้าวสวยให้เกิดขึ้นแก่พวกเธอพวกเธอจงถือเอาทางตรงทรงทราบว่า ที่นั่นเป็นที่ให้ผลแห่งบุญแก่ชนเหล่านั้นเหล่านั้นจึงตรัสว่าถ้าศรีวลีมาเธอจงถือเอาทางตรงก็เมื่อพระศั ส, สดาทรงดาเนินไปทางนั้นพวกเทวดาคิดว่าพวกเราจะทาสการะแก่พระศิีวลีเถระพระผู้เป็นเจ้าของเราให้สร้างวิหารในที่ยอดหนึ่งยอดหนึ่งไม่ให้ไปเกินกว่ายอดหนึ่ง ลุกขึ้นแต่เช้าเที่ยวถือเอาวัตถุมีข้าวต้มเป็นต้นอันเป็นทิพย์แล้วเที่ยวไปด้วยตั้งใจว่าพระศีวรีเถระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นนั่งอยู่ที่ไหนพระเถระให้เทวดาถวายพัด ท, ที่นำมาเพื่อตนแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกพระศาสดาพร้อมทั้งบริวารเสบยบุญของพระศีวลีเถระผู้เดียว ได้เสด็จไปตลอดทางกันดารประมาณ30โยดฝ่ายพระเรวตเถระทราบการเสด็จมาของพระศัสดาจึงเนรมิตรพระกันทกุดีเพื่อพระผู้มีพระภาคเนรมิตรเรือนยอด500ที่จงกรม500และที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน500พระสัสดาประทับอยู่ในสำนักของพระเรวัตเถระนั้น สิ้นการประมาณเดือนหนึ่งแลแม้ประทับอยู่ในที่นั้นก็ทรงสเสวยบุญของพระศิวลีเถระนั่นเองก็บรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุแก่2รูปในเวลาพระศาสดาเสด็จเข้าไปสู่ป่าไม้สแกคิดแล้วอย่างนี้ว่าภิกษุนี้ทำนวกรรมคือการก่อสร้างประมาณเท่านี้อยู่จกอาจทำสมณธรรมได้อย่างไร พระศาสดาทรงทำกิจคือการเห็นแก่หน้าโดยทรงดำริว่าเป็นน้องชายของพระสารีบุตรจึงเสด็จมาสู่สำนักของเธอผู้ประกอบนวกรรมเห็นป่านนี้ในวันนั้นแม้พระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้ลุ่งทรงเห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วได้ทรงทราบวาราจิตของภิกษุเหล่านั้นแล้วเพราะเหตุนั้น ประทับอยู่ในที่นั้นสิ้นการประมาณเดือนหนึ่งแล้วในวันเสด็จออกทรงอธิษฐานโดยการที่ภิกษุเหล่านั้นลืมหลอดน้ํามันลักจันน้ําและรองเท้าของตนไว้เสด็จออกไปอยู่ในเวลาเสด็จออกไปภายนอกแต่อุปจาราวิหารจึงทรงคลายผลิตครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นกล่าวกันว่า ผมลืมสิ่งนี้และสิ่งนี้แม้ผมก็ลืมถึงนี้แล้วพระสองรูปจึงกลับไปไม่กำหนดถึงที่นั้นถูกหนามไม้สแกแทงเที่ยวไปพบห่อสิ่งของของตนซึ่งห้อยอยู่ที่ต้นสแกต้นหนึ่งถือเอาแล้วก็หลีกไปแม้พระศาสดาทรงาพาภิกษุสงฆ์ไปสเสวยบุญของพระศิวลีเถระ ตลอดการประมาณเดือนหนึ่งนั่นแลอีกเสด็จเข้าไปสู่บุพารามลําดับนั้นภิกษุแก่เหล่านั้นล้างหน้าแต่ช้าตกรธเดินไปด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะดื่มข้าวต้มในเรือนของนางวิสาขาผู้ถวายอาคันตุกพัดดื่มข้าวต้มแล้วฉันของเคี้ยวแล้วนั่งอยู่ลําดับนั้นนางวิสาขาถามภิกษุแก่เหล่านั้นว่า ทันผู้เจริญก็ท่านทั้งหลายได้ไปที่อยู่ของเรวตตเถระกับพระศาสดาหรือภิกษุแก่อย่างนั้นอุบาศกวิสาขาทัานผู้เจริญที่อยู่ของพระเถระน่ารื่นรมหรือภิกษุแก่ที่อยู่ของพระเถระนั้นเป็นสถานที่น่ารื่นรมจักมีแต่ที่ไหนอุบาสิกา ที่นั่นรกด้วยไม้สแกมีหนาขาวเป็นเช่นกับสถานที่อยู่ของพวกเปรตครั้งนั้นภิกษุหนุ่มสองรูปพวกอื่นมาแล้วอุบาสิกาถวายข้าวต้มและของควรเคี้ยวทั้งหลายแม้แก่ภิกษุหนุ่มเหล่านั้นแล้วถามอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าอุบาสิกาพวกฉันไม่อาจพัฒนาได้ที่อยู่ของพระเถระ เป็นเช่นกับเทวสภาชื่อสุธรรมมาดุดตกแต่งขึ้นโดยฤธิตอุบาสิกาคิดว่าภิกษุพวกที่มาครั้งแรกลืมอะไรไว้เป็นแน่จากกลับไปในเวลาคลายฤทธิ์แล้วส่วนภิกษุพวกนี้จากไปในเวลาที่พระเถระตกแต่งในรมิตสถานที่โดยฤิตเพราะความที่ตนเป็นบัณฑิตจึงทราบเนื้อความนั้น ได้ยืนอยู่แล้วด้วยหวังว่าจากทูลถามในการที่พระสัสดาเสด็จมาต่อการเพียงครู่เดียวแต่การนั้นพระสัสดาอันภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จไปสู่เรือนของนางวิสาขาประทับนั่งเหนืออาสนะอันเขาตกแต่งไว้แล้วนางอังคาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกโดยเคารพในเวลาเสร็จพิธกิจ ถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลถามเฉพาะว่าพระเจ้าค่ะบรรดาภิกษุที่ไปกับพระองค์บางพวกกล่าวว่าที่อยู่ของพระเรวตเรัตเถระเป็นป่ารกด้วยไม้สแกบางพวกกล่าวว่าเป็นสถานที่รื่นรมที่อยู่ของพระเถระนั่นเป็นอย่างไรหนอแลพระศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้วตรัสว่า อุบาสิกาจะเป็นบ้านหรือเป็นป่าก็ตามพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมอยู่ในที่ใดที่นั้นน่าเรื่อนรมแท้ทั้งนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนทีแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่ากาเมวายดีวารันเยนินเนวายดีวาทะเลยัตถะอรหันโตวิหารติ ตั้งภูมิรามาเนยกันติพระอาหารหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใดเป็นบ้านก็ตามเป็นป่าก็ตามที่ลุ่มก็ตามที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิสถานน่ารื่นรมในประกาศานนั้นมีความว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายยอมไม่ได้กายวิเวกในบ้านก็จริง ถึงดังนั้นย่อมได้จิตวิเวกอย่างแน่นอนเพราะอารมณ์ทั้งหลายแม้เปรียบดังของทิพย่อมไม่อาจทําจิตของพระอรหันตเหล่านั้นให้หวันไหวได้พราะเหตุนั้นจะเป็นบ้านหรือจะเป็นที่ใดที่หนึ่งมีป่าเป็นต้นพระอรหันตทั้งหลายย่อมอยู่ในที่ใดบาปพระกาถามว่ตาตังภูมิรามาเนยังกังความว่า ผู้มีประเทศนั้นเป็นที่น่าเรื่องรมแท้ในเวลาจบเทสนาช่วนไปหนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิุผลเป็นต้นแล้วโดยสมัยอื่นอีกภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายเพราะเหตุอะไรหนอแลท่านพระศิวลีเถระจึงอยู่ในท้องของมารดาตลอด7ปี7เดือน7วัน เพราะก ร, รมอะไรจึงไม่แล้วในนรกเพราะก ร, รมอะไรจึงถึงความเป็นผู้มีลาภเลิศและมียศเลิศอย่างนั้นพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำนั้นแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวอะไรกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าถาชื่อนี้พระเจ้าข้าดังนี้แล้ว เมื่อจะตรัสบุรพกรรมของท่านพระศิวรีเถระานั้นจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในกลับที่91แต่กับนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีทรงอุบัติในโลกแล้วสมัยหนึ่งสเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบทกลับมาสู่นครของพระบิดาพระราชาทรงตรัสเตรียม อาคันตุกะทานเพื่อภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกทรงส่งข่าวแก่ชาวเมืองว่าจนทั้งหลายจงมาเป็นสหายในทานของเราชนเหล่านั้นทำอย่างนั้นแล้วคิดว่าพวกเราจักถวายทานให้ยิ่งกว่าทานที่พระราชาทสงถวายแล้วจึงทูลนิ ม, มนต์พระศาสดาในวันรุ่งขึ้นตกแต่งทานแล้ว ก็ส่งข่าวไปทูลแด่พระราชาพระราชาเสด็จมาทอดพระเนตรเห็นทานของชนเหล่านั้นแล้วทรงดําริว่าเราจะถวายทานให้ยิ่งกว่าทานนี้ในวันรุ่งขึ้นทรงนิ ม, มนต์พระสัสดาแล้วพระราชาไม่ทรงสามารถจะให้ชาวเมืองแพ้ได้เลยถึงชาวเมืองก็ไม่สามารถจะให้พระราชาแพ้ได้ในครั้งที่6ชาวเมืองคิดว่า บัดนี้พวกเราจักถวายทานในวันพรุ่งนี้โดยประการที่ใครๆไม่อาจพูดได้ว่าวัตถุชื่อนี้ไม่มีในทานของชนเหล่านี้ดังนี้แล้วในวันรุ่งขึ้นจัดแจงของถวายเสร็จแล้วตรวจดูว่าอะไรหนอแลยังไม่มีในฐานนี้ไม่ได้เห็นน้ำพึ่งดิบเลยส่วนน้ำพึ่งสุกมีมาก ชนเหล่านั้นให้คนถือเอาทรับสี่พันแล้วส่งไปในประตูแห่งพระนครทั้งสี่เพื่อต้องการน้ำพึ่งดิบครั้งนั้นคนบ้านนอกคนหนึ่งมาเพื่อจะเยี่ยมนายบ้านเห็นรวงพึ่งในระหว่างทางไล่ตัวพึ่งให้หนีไปแล้วตัดกิ่งไม้ถือโรงพึ่งพร้อมทั้งคอนด้านแลเข้าไปสู่พระนครด้วยตั้งใจว่าเราจะให้เกศในบ้าน บรุษผู้ไปเพื่อต้องการน้ำผึ้งพบคนภายนอกนั้นแล้วจึงถามว่าท่านผู้เริญน้ำผึ้งท่านขายไหมคนภายนอกไม่ขายนายบรุษเชิญท่านรับเอากะหาปานานี้แล้วจงให้โรงผึ้งแก่ฉันเถิดคนบานอกนั้นคิดว่าโรงผึ้งนี้ย่อมไม่ถึงค่าแม้สักว่าบาทหนึ่ง แต่บุรุษนี้ให้ทรัพย์กะหาปณ ะ, ะหนึ่งเห็นจะเป็นผู้มีกะหาปณามากเราควรขึ้นราคาลำดับนั้นเขาจึงตอบกับบุรุษนั้นว่าฉันให้ไม่ได้บุรุษถ้ากระนั้นท่านจงรับเอาทรัพย์สองกะหาปะนะคนภายนอกแม้ด้วยทรัพย์สองกะหาปะนะฉันก็ให้ไม่ได้เขาขึ้นราคาด้วยอาการอย่างนั้น จนถึงบุรุษนั้นกล่าวว่าถ้ากระนั้นขอท่านจงรับเอาทรัพพันกหาปนะ น, นี้ดังนี้แล้วน้อมห่อพันท้านี้เข้าไปทีนั้นคนบ้านนอกกล่าวกับบุรุษนั้นว่าท่านบ้าหรือหนอแลหรือไม่ได้อวกาศเป็นที่เก็บกหาปะนะน้ำพึ่งไม่ถึงค่าแม้บาทหนึ่งท่านยังกล่าวว่าท่านรับเอากหาปะนะพันหนึ่งแล้ว จงให้รองพึ่งแก่ฉันชื่อว่าเหตุอะไรกันนี่บุรุษผู้เจริญข้าพเจ้ารู้ก็กรรมของข้าพเจ้าด้วยน้ําพึ่งนี้มีอยู่เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงพูดอย่างนั้นคนบ้านนอกกรรมอะไรนายบุรุษพื่อข้าพเจ้าตราเตรียมมหาทานเพื่อพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีสมณะ หล้าน8ปดแสนเป็นบริวารในมหาทานนั้นยังไม่มีน้ำพึ่งดิบอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอซื้อโรงพึ่งด้วยอาการอย่างนั้นควรบนนอกเมื่อเป็นอย่างนั้นข้าพเจ้าจักไม่ให้ด้วยราคาถ้าแม้ข้าพเจ้าได้ส่วนบุญในทานบ้างซ้ายข้าพเจ้าจักให้บุรุษนั้นไปบอกเนื้อความนั้นแก่ชาวเมืองแล้ว ชาวเมืองทราบความที่ศรัทธาของเขามีกำลังจึงรับว่าสาธุขอเขาจงเป็นผู้ได้ส่วนบุญพวกชาวเมืองนั้นนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้นั่งแล้วถวายข้าวต้มและของเคี้ยวให้คนนำถาดทองคำใหญ่มาให้บีบรวงพึ่งแล้วแม้กระบอกน้ำสม้มอันมนุษย์นั้นแหลนนำมาเพื่อต้องการ เป็นของกำนันมีอยู่เขาเทน้ำส้มแม้นั้นลงในถาดแล้วเ้ากับน้ำพึ่งนั้นได้ถวายแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขจาเดิมแต่ต้นน้าพึ่งนั้นทั่วถึงแก่ภิกษุทุกรูปผู้รับเอาจนพอความต้องการได้เหลือเกินไปด้วยซ้ำใครๆไม่ควรคิดว่าน้ำพึ่งน้อยอย่างนั้นถึงแก่ภิกษุมากเพียงนั้น ได้อย่างไรจริงอยู่น้ำผึ้งนั้นถึงได้ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพุทธืวิสัยใครๆไม่ควรคิดจริงอยู่เหตุสีอย่างอันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดใครๆเมื่อไปคิดเหตุเหล่านั้นเข้าย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งคนบ้าทีเดียวด้วยประการชนนี้บุรุษนั้น ทำการประมาณเท่านั้นแล้วในการไปที่สิ้นสุดแห่งอายุปังเกิดในเทวโลกต้องเที่ยว อ, อยู่สิ้นการประมาณเท่านั้นในสมัยหนึ่งจุติจากเทวโลกแล้วปังเกิดในราชตระกูลในกรุงพรารณสีโดยการที่พระชนกสวรรคตถึงความเป็นพระราชาแล้วเท้าเธอทรงดมหริว่าจากยึดเอาพระนครหนึ่ง จึงเสด็จไปล้อมนครนั้นไว้และทรงส่งสารไปแก่ชาวเมืองว่าจงให้ราชสมบัติหรือการยุทธชาวเมืองเหล่านั้นตอบว่าจากไม่ให้ราชสมบัตินั่นแหละจากไม่ให้การยุทธดั่งนี้แล้วก็ออกไปนาฟืนและน้ำเป็นต้นมาทางประตูเล็กๆทำกิจทุกอย่างฝ่ายพระราชานอกนี้ รักษาประตูใหญ่สี่ประตูล้อมพระนครไว้สิ้นเจ็ปียิ่งด้วยเจ็ดเดือนเจ็ดวันในการต่อมาพระชนนีของพระราชานั้นตรัสถามว่าบุตรของเราทำอะไรทรงสดับเรื่องนั้นว่าทรงทำกรรมชื่อนี้พระเจ้าค่าตรัสว่าบุตรของเราโง่พวกเธอจงไป จงตูลแก่บรของเรานั้นว่าจงปิดประตูเล็กๆล้อมพระนครท้าเธอทรงสดับคำสอนของพระชนนีแล้วก็ได้ทรงทำอย่างนั้นฝ่ายชาวเมืองเมื่อไม่ได้เพื่อออกไปภายนอกในวันที่7จึงปลงพระชนพระราชาของตนเสียได้ถวายราชสมบัติแต่พระราชานั้นท้าเธอทรงทำกรรมนี้แล้ว ในการเป็นที่สุดแห่งอายุบังเกิดในอเวจี G, ไม่แล้วในนรกตราบเท่ามหาปัตพีนี้หนาขึ้นได้ประมาณยอดหนึ่งจุติจากอัตภาพนั้นแล้วถือปฏิสนธิในท้องของมารดา น, นั้นนั่นแหละอยู่ภายในท้องสิ้น7ปียิ่งด้วยเจเดือนนอนขวางอยู่ที่ปากกำเนิดสิ้น7วันเพราะความที่ตนปิดประตูเล็ก ทั้ง4ภิกษุทั้งหลายสิวลีไม่แล้วในนรกสิ้นการประมาณเท่านั้นเพราะกรรมที่เธอล้อมพระนครแล้วยึดเอาในการนั้นถือปฏิสนธิในท้องของมารดานั้นนั่นแหละอยู่ในท้องสิ้นการประมาณเท่านั้นเพราะความที่เธอปิดประตูเล็กๆทั้งสเป็นพูดถึงความเป็นผู้มีลาภเลิดมียศเลิด เพราะความที่เธอถวายน้ำพึ่งใหม่ด้วยประการอย่างนี้ในวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าแม้สามเณรผู้เดียวทำเรือนยอด5้าร้อยหลังเพื่อภิกษุห0 0รอรูปมีลาบมีบุญน่าชมจริงพระสัสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายปัดแบบนี้ พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยถ้อยคาอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราดทูลว่าด้วยถ้อยคำชื่อนี้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะบุญและบาปทั้งสองเธอละเสร็จแล้วได้ตรัสพระกาฐานี้ในพราหมณวัว่าโยธาปุญญจาปาปัญจ อุโพสั่งกังอุปัจจกกาอโซกังวิรยังสุทังตามหังบรูมิบรามนังติบุคคลใดในโลกนี้ล่วงเครื่องข้องสองอย่างคือบุญและบาปเราเรียบบุคคลนั้นผู้ไม่โกปราชจากกิเลสเพียงดังทุลีผู้หมดจดว่าเป็นพรามเรื่องพระ คดีระวณนยะเรวตตเทระ